ทำอธิษฐานอโหสิกรรมข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแก่หรือได้ล่วงเกินผู้ใดในชาติใดๆก็ตามตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอให้เจ้าเวรและนายกรรมทั้งหลายของข้าพเจ้าจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทาแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคนาญาติและผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทิญ